วันนี้เป็นวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2563เป็นวันพระวันธรรมสวนะัสวันฟังธรรมถือว่าเป็นวันมงคลอย่างยิ่ง โดยที่พระพุทธเจ้ า, าได้ทรงตรัสไว้ว่ากาเลนะธรรมสวังเอตัมมังกาลมุตตมมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งคำว่ามงคลก็คือเป็นความสุขความเจริญแก่จิตใจนั่นเอง เพราะว่าการฟังธรรมมีประโยชน์มีอนิสงส์อยู่หลายประการด้วยกันเช่นประการที่หนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมความจริงที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองถ้าเคยได้ยินได้ฟังธรรมมาแล้วพอได้ฟังธรรมอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ 3. จะทำให้มีสั ม, มาธิทิมีปัญญาหรือมีดวงตาเห็นธรรมนั่นเอง 4. จะกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องธรรมให้หมดสิ้นไปได้ ะจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุขนี่แหละคือมงคลที่เกิดจากการฟังธรรมได้ความสุขได้ความสงบได้ปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมได้กำจัดความรังเล้สงสัยต่างๆที่ ยังสงสัยอยู่ให้หมดสิ้นไปได้เ <Yeah. S 1> พราะสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังนั้นคือเรื่องที่พวกเรายังไม่รู้ไม่เห็นด้วยตัวของพวกเราเองนั่นเอง <Yeah. S 1> ถ้าจะเปรียบเทียบก็พวกเราก็เป็นเหมือนพวกคนตาบอด <Yeah. S 1> ส่วนพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวก ท่านเปรียบเหมือนคนตาดีท่านเห็นสิ่งที่คนตาบอดมองไม่เห็นกันพวกเราตาบอดทางในทางข้างในคือตาในของพวกเราบอดคือมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ภายในของพวกเราคือไม่เห็นโลกของจิตวิญญาณ น, นั่นเอง มองไม่เห็นจิตใจมองไม่เห็นภพชาติต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์โลกของจิตใจไม่เห็นกฎแห่งกรรมที่กำหนดให้จิตใจของสัตว์โลกเป็นไปตามบุญตามบาปของตนที่ได้ทำเอาไว้ ไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบของจิตใจของจิตวิญญาณเพราะตาในของพวกเรายัางไม่ได้เปิดขึ้นมาตาในคือตาใจหรือตาทิพนี่เองตาของกายทิพพวกเรามีร่างกายอยู่สองร่างกายด้วยกันร่างกายหยาบ ที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟที่พวกเราเห็นกันอยู่ในขณะนี้เรียกว่ากายอยาบส่วนกายละเอียดคือกายทิพนี้พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะตาทิพของพวกเราถูกปิดไว้ถูกปิดกั้นไว้โดยกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา เราจึงไม่เห็นใจที่เป็นดวงวิญญาณเป็นจิตตวิญญาณเป็นกายทิพย์ไม่เห็นรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ต่างๆไม่เห็นพบชาติต่างๆที่จิตใจของพวกเราจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกัน เราก็เลยมีความลังเลสงสัยเกี่ยวกับธรรมที่เราได้ยินได้ฟังกันว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีจริงหรือไม่ผู้ใดไปเวียนว่ายตายเกิดเพราะเท่าที่เห็นเวลาร่างกายหยาบตายไปแล้ว <c oughs> ก็จะกลายเป็นดินน้ำลมไฟไป <c oughs> หรือถ้าเอาไปเผา ก็กลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานเป็นเศษกระดูกไปแล้วผู้ใดถึงไปเวียนว่ายตายเกิดไปเกิดในภพต่างๆถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติทำเพื่อเปิดตาในของพวกเราให้ออกเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ไปเกิดใหม่ ใครเป็นผู้ไปรับผลบุญผลกรรมเลยแต่ผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วได้ตัดสั้ได้บรรลุธรรมเช่นพระอริยสงสารลกแล้วตาในของท่านจะถูกเปิดออกคือสิ่งที่ปิดกัน้นตาในของท่านจะถูกกาจัดออกไป พอตาสิ่งที่มาปิดกั้นตาในถูกกรรมจัดออกไปตาในก็จะเปิดขึ้นมาก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายในโลกทิพย์เห็นภพต่างๆที่ต้องใช้ตาทิพย์ถึงจะเห็นคือภพภูมิของเทวดาของพรหมของเปรตของวัสดุกายของนรก ภพหลังนี้เป็นภพที่ไม่มีร่างกายหยาบเหมือนกับภพบของมนุษย์และภพของสัตว์เดรัจฉานภพของสัตว์เดรัจฉานภพของมนุษย์นี้เราเห็นได้เพราะเรามีตาหยาบมีร่างกายหยาบเราจึงเห็นร่างกายของมนุษย์และร่างกายของสัตว์เดรัจฉานต่างๆแต่เราจะไม่สามารถเห็น ร่างกายของเทวดาของพรหมไม่สามารถเห็นร่างกายของเปรตของอสุรกายของนรกได้ถ้าเราไม่ได้เปิดตาในออกมาเราจึงถือเราจึงถือว่าเป็นเหมือนคนตาบอดคนตาบอดเวลาจะทำอะไรก็ต้องอาศัยคนตาดีเป็นผู้คอยบอก พอมองไม่เห็นว่ากำลังอยู่ที่ตรงไหนกำลังจะหยิบของหยิบได้อย่างไรเข้าของต่างๆวางไว้ตรงไหนบ้างต้องให้คนตาดีคอยสอนคอยบอกก่อนแล้วพอจดจำได้ก็อาจะไม่ต้องอาศัยคนตาดีก็ได้เช่นถ้าอยู่บ้านแล้วรู้ว่าของต่างๆวางไว้อยู่ตรงไหน ก็ใช้มือํำไปคำไปหยิบของต่างๆด้วยอาศัยการจดจำแต่ถ้าไปอยู่บ้านใหม่นี่ไม่เคยเข้าไปก่อนไม่รู้ว่าของต่างๆนี้ตั้งอยู่ที่ตรงไหนก็ต้องอาศัยคนตาดีคอยสอนคอยบอกก่อนแล้วพอจดจาได้แล้วก็อาจจะไม่ต้องอาศัยคนตาดีคอยสอนคอยบอก หรือเวลาจะไปไหนมาไหนก็ต้องอาศัยคนตาดีหรือถ้าไม่มีคนตาดีก็อาจจะต้องอาศัยสุนัขที่ตาดีเป็นผู้พาไปเพราะสุนัขนี้ก็จะคอยบอกว่าข้างหน้ามีอะไรกีดขวางหรือไม่มีหลุมมีบ่อมีอะไรมีภัยอันตรายหรือไม่ สุนักมีตามองเห็นสุนักก็จะสามารถที่จะนําทางคนตาบอดได้พวกเราก็เป็นเหมือนคนตาบอดเมื่อมาพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณของพวกเราเองพวกเรามองไม่เห็นจิตวิญญาณของพวกเรามองไม่เห็นกายทิพย์ของพวกเราเราเห็นแต่กายหยาบของพวกเราเราก็เลยคิดว่า เรามีเพียงแต่กายหยาบแล้วพอกายหยาบตายเราก็คิดว่าเราสูญไปกับความตายของกายหยาบแต่ความจริงกายทิพย์ของพวกเราไม่ได้ตายไปกับกายหยาบใจกายทิพย์ของพวกเรานี้ไม่มีวันตายกายทิพย์ของพวกเราเป็นผู้มาเกาะติดกับร่างกาย เพื่อที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ mm hmm. คือหาความสุขจากโลกธรรมคือลาบยศสรรเสริญลาความสุขจากรูปเสียงกลิก่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆ mm hmm. เพราะร่างกายหยาบของพกเรา mm hmm. มีตาหูจมูกลิ้นกายที่ กายทิพ์สามารถอาศัยใช้เป็นเครื่องมือเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพระได้แล้วก็เสพแล้วก็เกิดความสุขจากการได้เสพกายทิพย์ของพวกเราเลยต้องมาคอยเกาะร่างกายมาใช้ร่างกายเป็นเหมือนกับ คนตาบอดใช้คนตาดีพาไปไหนมาไหนพอร่างกายอันนี้ตายไปกายทิพย์ของพวกเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายกายทิพย์ก็ไปอยู่ในสภาพที่ไม่มีร่างกายชั่วคราวก่อนแล้วก็จะไปได้ร่างกายอันใหม่ต่อไป ช่วงที่รอรับร่างกายอันใหม่<อ>ก็เป็นช่วงที่กายทิพย์ของพวกเราจะต้องไปอยู่ในภพภูมิต่างๆตามอำนาจของบาปบุญที่เราได้ทำกันเอาไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะที่ร่างกายเรามีชีวิตอยู่เราจะมีการกระทำบาปบ้างมีการกระทำบุญบ้าง มีการกระทำที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปบ้างขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ขึ้นอยู่กับความต้องการของใจของกายทิพย์บางทีกายทิพย์ต้องการอะไรมากๆแล้วไม่สามารถที่จะได้มาโดยวิธีไม่ทำบาป ก, ก็จะไปทำบาปเพื่อที่จะได้สิ่งที่อยากได้ หรือเพื่อที่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำนี่ก็ทำให้เกิดมีการกระทำบาปึ้นมาพวกเราคงไม่ปฏิเสธว่าไม่มีใครไม่ทำบาปกันพวกเราทุกคนนี้ต้องทาบาปกันหนักบ้างเบาบ้างมากบ้างน้อยบ้างอยู่แทบทุกวันเลยก็ได้อย่างน้อย ก, ก็การพูดปดนี่ก็อาจจะ เป็นเรื่องที่เราทํากันอย่างสม่าเสมอเพราะบางทีเราไม่อยากให้คนเขารู้ว่าเราทำอะไรคิดอะไรรับหลังเขาถ้าเขาถามเราก็อาจจะต้องโกหกเช่นเขาถามว่าไปไหนมาถ้าเราไม่อยากให้เขารู้เราก็บอกไปนู่นไปนี่ไปทำงานไปอะไรมา ความจริงอาจจะแอบไปพบใครที่ไหนก็ได้ที่เราไม่สามารถจะเปิดเผยได้เพราะเปิดเผยแล้วจะเกิดเรื่องจะเกิดปัญหาตามมาหรือบางทีเราอยากจะได้อะไรแล้วเราเห็นว่าเจ้าของเขาไม่รู้เขาไม่เห็นเราก็หยิบมาเอามาเป็นของเรา อันนี้แหละเป็นการกระทาของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เวลาเรามีความต้องการอะไรแล้วเราไม่สามารถที่จะทำโดยไม่กระทาบาปเราก็ต้องไปทำบาปกันบาปที่เราทำนี่ถึงแมจ้จะเป็นเล็กๆน้อยๆถ้าทำไปเรื่อยๆมันก็มากขึ้นไปมันสะสมไปเรื่อยๆ เหมือนน้ำที่เราตักใส่ตุ่มตักวันละขันน้ำมันก็เพิ่มมากขึ้นไปวันละขันวันละขันเดี๋ยวไม่นานน้ำก็จะเต็มตุ่มได้บาปหรือบุญที่เราทําก็เป็นลักษณะนั้นมันไม่หายไปทําแล้วมันไม่ได้หายทําแล้วมันสะสมอยู่ในกายทิพย์กายทิพย์นี้เป็นที่สะสมเป็เหมือนตุ่มน้ํา ที่จะคอยสะสมทั้งบุญทั้งบาปไวในกายทิพย์แล้วก็บุญและบาปนี้เป็นตัวส่งผลให้กายทิพย์ได้รับความสุขหรือความทุกข์กันเวลาทำบุญนี้ใจของเราจะมีความสุขเวลาทำบาปใจของเราจะมีความทุกข์ ยังมีความไม่สบายใจนี่คือกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นผู้ที่จะพาสัตว์โลกให้ไปเป็นสัตว์ชนิดต่างๆให้ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปนรกหรือไปสวรรค์ชั้นต่างๆชั้นเทวดาชั้นเทพชั้นพรหม ชั้นพระอริยเจ้าเกิดจากกรรมเป็นผู้พากระทาพาให้พาไปทำกรรมไม่ดีทำกรรมทำบาปก็จะพาให้ไปเป็นสัตว์ในที่ต่ำในภพภูมิที่มีแต่ความทุกข์คือภพของอบายผู้ที่ทำบาปคือไม่รักษาศีลห้า ทำบาปอยู่เรื่อยๆมากกว่าทำบุญเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปบาปที่มีมากกว่าบุญจะเป็นผู้ส่งผลก่อนบาปก็จะดึงให้ดวงวิญญาณนี้ไปเป็นเดชะฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกซึ่งเป็นตั้งแต่ที่ร่างกายยังไม่ตายเสียได้ซ้ำไป ตอนนี้ร่างกายของเราเป็นร่างกายของมนุษย์แต่ใจหรือกายทิพย์ของพวกเรานี้อาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วเพราะขึ้นอยู่กับบุญกับบาป ท, ที่เราทากันถ้าเรามีบาปมากกว่าบุญเราจะเป็นกายทิพย์ชนิดสี่ชนิดด้วยกันที่เรียกว่าอบายอบายอภูมิที่ ที่อยู่ในอบายภูมิเช่นถ้าเราทำบาปมากทำบาปด้วยการด้วยการไม่รู้ว่าเป็นบาปเช่นเราคิดว่าเอ้ยโกหกเล็กๆน้อยๆโกหกแล้วทำให้เขาสบายใจไม่เป็นบาปไม่มีผลเสียหายกับใครหรือการเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็น ถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปใจก็จะเป็นเหมือนใจของสัตว์เดรัจฉาน<ม>พวกสัตว์เดรัจฉานเขาก็เลี้ยงชีพดำรงชีพด้วยการทำบาปเขาต้องกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อดำรงชีพของเขาเข<ม>าก็คิดว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องของ การดำรงชีพของเขา mm hmm. เขาก็เลยทําบาปอย่างไม่รู้สึกมีความละอายหรือความกลัวบาปเ mm hmm. พราะเขาต้องเลี้ยงชีพของเขาไว้ mm hmm. ถ้าใจของมนุษย์นย mm hmm. ทําเลี้ยงชีพด้วยการทําบาปเช่ mm hmm. นทำอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควาย mm hmm. ทําเพื่อเลี้ยงชีพ อันนี้ใจของเขาก็จะอยู่ในสภาพของสัตว์เดรัจฉานถึงแม้ว่าร่างกายของเขาเป็นมนุษย์แต่ใจของเขาไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วเพราะการจะเป็นมนุษย์ได้นี้ต้องไม่ทําบาปนั่นเองต้องไม่ทําบาปถ้าทําบาปแล้วก็จะเปลี่ยนจากการเป็นมนุษย์ไปเป็น ไปเป็นเดลฉานบ้างถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆทั้งๆที่ไม่จำเป็นจะต้องทำบาปก็ได้อยู่ได้มีอาชีพมีงานการทำมีไรายได้สุดจริตจากอาชีพสุดจริจากการไม่ได้ทำบาปแต่เนื่องจาก อยากจะซื้อข้าวซื้อของอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เงินเดือนมีไม่พอใช้ก็เลยไปหาเพิ่มมาด้วยการทำบาปนี่เรียกว่าทำด้วยความโลภผู้ที่ทำบาปด้วยความโลภดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยตลอดเวลาโลภอยู่ตลอดเวลาความโลภ ก, ก็คือความหิวโหยนี่เองได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ ดวงวิญญาณชนิดนี้เราก็เรียกว่าเปรตส่วนพวกที่ทําบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกเขามากลั่นแกล้งเรามาทำร้ายเรามาเบียดเบียนเราเราก็เลยป้องกันด้วยการไปทําเขาก่อนทําบาปไปทําไปไปเบียดเบียนเขาไปทำร้ายเขาก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เขามาทำร้ายเรา ทำอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าจะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัว<ม>กลัวไปหมดกลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้กลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้<ม>เรียกว่าอสู ร, รากาย<ม>พวกที่มีดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเพราะไปทำบาป<ม>เพื่อป้องกันเพื่อทำลายสิ่งที่จะมาทำให้ตนเองเดือดร้อนเสียหาย แล้วพวกที่สี่คือพวกดวงวิญญาณที่ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทฟันต่อฟันตาต่อตาใครทำร้ายเราเราก็ต้องแก้แค้นรังแค้นเขาก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่เสียหายเมื่อถูกรังรังแกก็ต้องตอบโต้กันไปแต่ตามกฎแห่งกรรมนี่ถือว่าเป็นการกระทำบาป ไม่ว่าด้วยสาเหตุอันใดนก็ตามถ้าเป็นการทําผิดศีลศีลห้าแล้วถือว่าเป็นการกระทําบาปไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณี <Yes. S 1> การโกหกหลอกลวง <Yes. S 1> ส่วนการดื่มสุรานี้ยังไม่ถือว่าเป็นบาปถือว่าเป็นอบายามุข <Yes. S 1> เป็นตัวที่จะไปทําให้ทําบาปได้ง่าย yes. ถ้าเดิมสุราแล้วก็เข้านอนอย่างนี้ไม่ได้ไปทําร้ายใครไม่ได้ไปทําให้ใครเสียหายก็ยังไม่บาป แ, แต่ก็จะทําให้อไม่สามารถไปทําอะไรที่ดีได้เพราะเดิมสุราแล้วก็จะมึนเมามึนเมาแล้วถ้าไม่ไปนอนเดี๋ยวก็อาจจะไปมีเรื่องมีราวกับผู้อื่นได้ไปทําบาปได้ท่านเลยรวมสุราเข้ามาในศีลห้าด้วย ดังนั้นถ้าเราอยากจะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้เราต้องไม่ละเมิดศีลห้าเราต้องพยายามรักษาศีลห้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะได้แล้วถ้าเราคิดว่าบางครั้งบางคราวเรายัางพลาดครั้งอยู่ยังรักษาไม่ได้วิธีที่จะทำให้เรายังไม่ต้องไปรับผลบาปจากการทำผิดศีลห้า ก็คือให้เรามาสร้างบุญกันทำบุญกันให้มันมีกำลังมากกว่าบาปถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆทุกวันเช่นบางชาวบ้านที่ใส่บาตรพระทุกวันเนี่ยเขาได้ทำบุญทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเขาอาจจะไปทำบาปบ้างแต่บาปที่เขาทำนี่ยังไม่มากเท่ากับบุญที่เขาทำบาปก็ยัง ถูกบุญบังเอาไว้อยู่บาปยังแสดงผลไม่ได้เขาก็ยังถือว่าเขาเป็นคนใจบุญเป็นคนเป็นเทวดาอยู่หรือเป็นมนุษย์อยู่ อ, อันนี้เรียกว่ากรรมเรียกว่าบาปบาปกรรมที่พาให้จิตใจเราลงต่ำต่ำจากการเป็นมนุษย์ การเป็นมนุษย์นี้เป็นพบระหว่างอยู่กองกลาง ร, ระหว่างพบของบาปกับภพของบุญเป็นมนุษย์นี้ยังไม่ได้ทําบุญเพียงแต่ไม่ได้ทําบาปก็เป็นมนุษย์แต่ถ้าไม่ได้ไม่ได้ทําบาปแล้วเราทัดได้ทําบุญด้วยบุญก็จะมีมากกว่าบาปบุญนี้ก็จะ ยกระดับจิตของมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดา mm hmm. ขึ้นไปเป็นชั้นๆมีหกชั้นด้วยกัน mm hmm. ทาบุญไปเรื่อยๆ mm hmm. บุญมากขึ้นมากขึ้นก็ดวงวิญญาณจิตวิญญาณก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจ mm hmm. ากการเป็นเทวดาชั้นต่ำก็ขึ้นไปสู่ชั้นที่สองชั้นที่สามตามลำดับ mm hmm. จนถึงชั้นสูงสุดของการเป็นเทวดาอันนี้ก็จากการไม่ทำบาปหรือทำบาปน้อยก็ทำบุญบุญต้องมากกว่าบาปเวลาที่ตายไปบาปจึงยังแสดงผลไม่ได้ก็เลยปล่อยให้บุญที่มีกำลังมากกว่าเป็นผู้แสดงผลเป็นผู้สร้างภพชาติของจิตวิญญาณ ให้ไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆแล้วถ้าทาบุญเพิ่มมากกว่าชนิดที่เทวดาทำกันคือเทวดาทาบุญด้วยการทำทานนี้เองด้วยการเสียสละแบ่งปันอย่างที่ญาติโยมมาวัดนี้ก็มาทาบุญทาทานทาบุญด้วยการให้ทานนี่หีือป่าทานแปลว่าการให้ ให้ข้าวของเงินทองที่เป็นของเหล่านี้ให้แก่ผู้ที่เขาเดือดร้อนผู้ที่เขาขาดแคลนเช่นพระสงองค์เจ้าพระสงองค์เจ้าไม่มีอาชีพเหมือนญาติโยมญาติโยมมีอาชีพมีงานทามีรายได้สามารถเอารายได้นี้ไปซื้อข้าวของต่างๆแต่พระสงองค์เจ้านี้พระพุทธเจ้าไม่ให ทำงานทำการแบบญาติโยมให้ทำงานอีกแบบหนึ่งให้ทำงานคือการศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็ให้เอาพระธรรมคำสอนที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติเพื่อจะให้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆพระสงฆ์องค์เจ้าเลยไม่มีรายได้ ก็เลยต้องอาศัยความใจบุญของญาติโยมให้ญาติโยมนำข้าวของต่างๆปัจจัยสี่จตุปัจจัยจตุจตุแปลว่าสี่ปัจจัยคือของใช้ที่จำเป็นต่อการเลี้ยงชีพปัจจัยสี่ก็ได้แก่อาหารบินทบาตที่วอนคอเครื่องนุ่หงห่มกุฏิที่อยู่อาศัย แล้วก็เพสัชยารักษาโรคภัยไข้เจ็บและเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอันนี้เป็นการทำทานเป็นการให้ทานเรียกว่าวัตถุทานทำแล้วก็จะทำให้เกิดบุญขึ้นมาในใจนั่นเอง บุญที่จะยกจิตใจให้สูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์ให้เป็นเทวดาแต่ถ้าอยากจะได้บุญที่สูงกว่าบุญของเทวดาอยากจะได้ความสุขที่มากกว่าความสุขของเทวดาของเทพก็ต้องเลื่อนระดับจิตให้ขึ้นสูรร่ระดับพรหมระดับพรหมนี้มีความสุขมากกว่าระดับเทพและการที่จะ เลื่อนระดับใจให้ขึ้นสู่ระดับพรหมได้นั้นก็จำเป็นต้องมีการปฏิบัติหรือทำบุญอีกระดับหนึ่งเรียกว่าภาวนาสมถะภาวนาคือการทำใจให้สงบนิ่งให้อยู่ในสมาธิให้อยู่ในฌานด้วยการเจริญสติกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกัน เป็นอารมณ์ที่จะกล่องใจให้เข้าสู่สมาธิให้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้อยู่เฉยๆนั่งเฉยๆแล้วจะให้ใจเข้าไปในฌานเองนี้เข้าไปไม่ได้ผู้ที่ต้องการให้ใจเข้าสู่ฌานเข้าสู่ความสงบนี้จําเป็น ต, ต้องมีอารมณ์คือกรรมฐานคอยดึงใจเข้าไปเช่นพุทธานุสตินี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนง พุทธานุสติก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็สามารถระลึกแบบพิสดารก็ได้หรือระลึกแบบย่อ ก, ก็ได้แบบพิสดารก็คือการสวดบทพุทธคุณนี่เองอิติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธถ้าเราสามารถระลึกถึงพระพุทธคุณได้อยู่อย่างต่อเ น, นื่อง ไม่ใช่ครั้งเดียวรอบเดียวนะต้องระลึกไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเราต้องคอยห้ามไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วถ้าสวดไปสักระยะแล้วเรารู้สึกอยากจะลดการสวดลงเราก็สวดย่อระลึกถึงชื่อสั้นๆคือพุทโธพุทโธต่อไปก็ได้ ถ้าเราพุโทโธพุโทโธไปโดยที่ไม่คิดอะไรใจเราก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้ก็จะยกระดับจิตของเราจากระดับเทพให้ขึ้นไปสู่ระดับพรหมได้ก่อนที่จะไปจากระดับมนุษย์นี้ต้องผ่านระดับเทพก่อนต้องทำบุญทาทานก่อนใจถึงจะมีพลัง ที่จะก้าวจากระดับเทพขึ้นไปสู่ระดับพรหมได้ mm. ผู้ที่จะไปสวรรค์ชั้นพรหมนี้ต้องทำบุญทาทานก่อน mm. บางคนก็ทำแบบร้อยเอร์ซเลย mm. ก็คือสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่ไปให้หมดแล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชเพราะถ้ายัางใช้เงินทองอยู่เพื่อซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ ก็จะติดอยู่บนสวรรค์ชั้นเทพนั่นเองถ้าอยากจะออกจากสวรรค์ชั้นเทพไปสู่สวรรค์ชั้นพรหม<ช>ก็ต้องหยุดใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆทางตาหูจมูกนิ้วกายเช่นไปซื้อของมาดื่มซื้อของมารับประทานซื้อของมาดูมาฟังหรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเป็นต้น อันนี้เรียกว่ายังเป็นการหาความสุขของระดับเทพอยู่ถ้าต้องการหาความสุขระดับพรหมก็ต้องยุติการหาความสุขระดับเทพ mm hmm. เช่นไปอยู่วัดกัน mm hmm. ไม่ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ mm ่นรสผลตพะจะขึ้นสู่ระดับพรหมได้นี้ต้องเปลี่ยนศีลห้ามาเป็นศีลแปดด้วย mm hmm. เพราะว่าถ้ายังถือศีลห้าอยู่ จิตยังไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพะต่างๆได้ก็จะทำให้ไม่สามารถขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรมได้ต้องออกจากสวรรค์ชั้นเทพก่อนโดยการถือศีลแปดไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพะชนิดต่างๆ พอถือศีลหถือศีลปดได้แล้วก็จะมีเวลาที่จะมาฝึกสมาธิมาเจริญกรรมฐานพือเจริญสติให้จิตมีการะ ล, ลึกรู้อยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ของเราว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ ถ้าเรายังมีการเคลื่อนไหวยังมีการทำอะไรอยู่ท่านก็นแนะนำให้ใช้พุโทโธก็ได้หรือให้ใช้การเฝ้าดูการกระทำของเราก็ได้ให้คอยดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้ดูไปเฝ้าดูร่างกายไปไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแล้วในอดีตก็ดี หรือที่จะมาในอนาคตก็ดีเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้ก็ดีต้องหยุดให้ได้ให้หมดวิธีใช้หยุดได้ก็บังคับให้อยู่กับร่างกายให้เฝ้าดูร่างกายให้เฝ้าอย่างใกล้ชิดเลยแบบ ข, ขนาดยกเท้าขึ้นก็ต้องรู้ว่ากำลังยกเท้าขึ้นวางเท้าลงก็ต้องรู้ว่าวางเท้าล ง, างเรีย ก, กว่ายกก้าววางหนอนี่ ยกก้าววงเนาะเราไม่ต้องเดินช้าๆเหมือนคนหัดเดินเราก็ทํางา น, นเป็นไปตามปกติเราอาบน้ําก็อาบน้ําไปเป็นปกติแต่เราเอาใจมาดูการอาบน้ําของเราอย่าปล่อยให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องอื่นอย่างนี้เพื่อเป็นการเจริญสติเพื่อเป็นการควบคุมความคิดหยุดการคิดหยุดการเคลื่อนไหวของจิตใจนั่นเอง จิตใจจะเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบได้ใจิตใจต้องไม่มีความคิดปรุงแต่งนั่นนี่คือการจเจริญสติก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิกันถ้าเรายังทำอะไรอยู่ก็ใช้ได้สองอย่างใช้คำาบริกรรมพุทโธพุทโธไปกับการกระทาต่างๆก็ได้อาบน้ำไปก็พุทโธไป รับประทานอาหารก็พุโทโธไปกวาดบ้านถูบ้านทำความสะอาดอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปหรือถ้าเราไม่ต้องการพุโทโธเราจะเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกาลังทำอะไรอยู่ก็ได้กำลังกวาดบ้านก็กวาดบ้านไปกับร่างกายกำลังอาบน้ำก็อาบน้ำไปกับร่างกายนี่เป็นการสร้างสติขึ้นมาก่อน เพื่อที่จะได้ทำใจให้นิ่งได้ถ้าไม่มีสติก็เป็นเหมือนรถที่ไม่มีเบรกนี่เองสตินี้เป็นเหมือนเครื่องเบรกใจเหมือนกับเบรกที่เป็นเครื่องเบรกรถยนต์เวลาเราขับรถยนต์นี้เวลาเราถึงสี่แยกไฟแดงถึงที่ที่เราจะต้องการใจเบรกเราก็ต้องเหยียบเบรกรถถึงหยุดกันเ <Yes. S 1> มื่อเช้านี้ไปบินทบาท รถชนกันที่สี่แยกชนท้ายกันพอรถไม่มีเบรกหรือไม่ได้เบรกเพราไม่รู้ว่ารถข้างหน้าหยุดกระทนหนักอะไรชนตู้มเข้าไปไม่มีเบรกต้องให้รถคันอื่นเบรกถ้าเบรกแบบนี้แล้วก็เกิดความเสียหายใจของเราก็เหมือนกันใจของเราถ้าอยากจะเข้าสู่ความสงบเราต้องมีสติต้องสร้างสติขึ้นมา ถ้าตอนนี้เรายังควบคุมความคิดหยุดความคิดของเราไม่ได้แสดงว่าเรามีเบรกน้อยเรามีเบรกพอที่จะห้ามไม่ให้ไปทำบาปได้เพราะถ้าเรารักษาศีลกันเราก็จะมีเบรกที่จะรักษาที่จะรักษาศีลห้าได้หรือศีลแปดได้ถ้าเรารักษาไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสติกำลังพอ แม้แต่ศีลห้าบางคนยังไม่มีกำลังที่จะรักษาได้ถ้ารักษาถ้าไม่มีสติรักษาศีลจะไม่มีสติที่จะมาควบคุมความคิดได้จะมาหยุดความคิดได้ท่านถึงสอนว่าต้องปฏิบัติเป็นขั้นอ่านรักษาศีลไปก่อนแล้วถึงค่อยมาจเจริญสติก่อนจะรักษาศีลก็ต้อง มีสติคอยสอนให้ใจทำบุญทำทานไม่ให้เอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลึ้นกายไม่ให้ไปเอาเงินใช้ตามความอยากของกิเลสให้เอาเงินทองมาใช้กับการทำบุญหรือใช้กับการเลี้ยงดูชีวิตร่างกายของต น, น, นการปฏิบัติธรรมนี้ทุกขั้นทุกตอนนี้เป็นการฝึกสร้างสติกันขึ้นมา อันตน ก, ฝก็ฝึกขั้นสติของการทำทานให้ได้ก่อนบางคนไม่ชอบทำทานชอบเอาเงินไปซื้อความสุขให้กับตัวเองซื้อความสุขให้กับตัวเองก็เหมือนกับซื้อยาเสษติดให้กับตัวเองนั่นเองแต่ถ้าเอาเงินไปให้ทำให้คนอื่นมีความสุขนี่เป็นการสร้างบุญซึ่งเป็นเหมือนอาหารให้กับใจ่งในเบื้องต้นต้องมีสติที่จะ ดึงใจมาทำบุญให้ได้หยุดใจกับการที่จะเอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆทางตาหูจมกูกลิ้นกายก็ต้องมีสติในระดับแรกแนละระดับทาน <Yeah. S 1> พอมีสติระดับทานแล้วก็จะมีกำลังที่จะไปสร้างสติระดับศีล ต, ต่อไปทำ <Yeah. S 1> บุญทำทานได้แล้วจะมีกำลังที่จะไปรักษาศีลห้าได้ yeah. เพราะคนทำบุญทำทานนี้จะเป็นคนใจบุญจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ชอบทำร้ายผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนพอมารักษาศีลก็เลยรู้สึกว่าง่ายเพราะการรักษาศีลก็คือการไม่ไม่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนก็จะทำให้มีสติกำลังที่จะ รักษาศีลห้าได้พอมีกำลังรักษาศีลห้าได้แล้วทีนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มมารักษาศีลแปดต่อไปได้เพิ่มอีกสามข้อก็จะสามารถรักษาศีลแปดได้ใหม่ๆก็อาจจะรักษาได้ไม่นานเพราะกำลังสติมีน้อยเรื่องต้นก็อาจจะเอาอาทิตย์ละวันก่อนเช่นวันนี้เป็นวันพระ ถ้าเราไม่ต้องไปทำงานทำการเราก็ลองไปอยู่วัดกันดูสักวันนึ่งไปรักษาศีลแปดกันแล้วก็จะได้มีเวลามาสร้างสติระดับของการหยุดความคิดเรียกว่าระดับภาวนาสมถะภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้เข้าสมาธิเข้าฌานให้ได้ เพราะถ้าใจเข้าสมาธิเข้าฌานได้แล้วใจก็จะยกระดับจากระดับเทพขึ้นไปสู่ระดับพรหมต่อไปสูงขึ้นไปมีความสุขมากขึ้นไปมีความทุกข์น้อยลงไปอันนี้คือบุญชนิดต่างๆที่มีการปฏิบัติมาตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสลุ ก็จะมีคนทำบุญชนิดต่างๆเหล่านี้กันบางคนก็ทำระดับร่างระดับทานบางคนก็ทำระดับศีลรักษาศีลห้าบางคนก็ทำระดับศีลแปดศีลของนักบวชไปอยู่วัดชั่วคราวสาหรับคนที่ยังไม่สามารถไปอยู่แบบถาวรได้ก็ไปอยู่วัดเข้าๆออกๆออกไปก่อน ไปเติมกําลังไปสร้างสติให้มีมากขึ้นไปเติมความสุขที่ได้จากความสงบให้ได้มากขึ้นแล้วจะทําให้ใจมีกําลังมากขึ้นที่จะไปอยู่ได้นานขึ้นจนต่อไปก็จะสามารถไปอยู่แบบถาวรได้ไปเป็นนักบวชแบบถาวรได้อันนี้เป็นการทําบุญชนิดต่างๆ ที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้ไปเกิดในภพที่ดีกว่าเดิมจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทพจากเทพก็ไปเป็นพรหมแต่ภพชาติล่านี้ก็ยังอยู่ในสังสารวัฏอยู่อยู่ในภพของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่ว่าจะไปเป็นเทพหรือไปเป็นพรม บุญที่ส่งให้ไปเป็นเทพเป็นพรหมนี้ก็จะต้องมีวันหมดลงเหมือนน้ำมันรถยนต์ที่เราเติมไว้ในถังจะเติมครึ่งถังแล้วเติมเต็มถังเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหมดอย่างในบุญที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อส่งจิตของเราให้ได้ไปอยู่ที่สูงที่มีความสุขมากมันก็จะหมดลงได้ พอหมดลงเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หม่อยพอภพของมนุษย์นี้เป็นเหมือนที่เติมน้ามันนี่เองเป็นที่เติมบุญเติมบาปมนุษย์เหล่านี้ทำได้ทั้งบุญทำได้ทั้งบาปแต่พวกเทวดาพวกพรหมนี้เขาไม่ได้ทาเขาจะไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาป ก, กันพอภพของเทวดาของพรหมนี้เป็นที่ไปรับผลบุญใบเสวยบุญ เหมือนกับพวกที่เขาไปเที่ยวท่องเที่ยวต่างประเทศกันแล้วท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเป็นช่วงที่เขาไม่ทำงานกันเขาไม่หาเงินกันเป็นช่วงที่ใช้เงินกันพอเงินหมดแล้วนะเขาถึง่าให้กลับมาทำงานมาทำงานเพื่อจะได้มีเงินไปเที่ยวใหม่บุญก็เป็นเหมือนเงินที่เราใช้ไปเที่ยวในสวรรค์ชั้นต่างๆนี่พอบุญที่เราใช้หมดไป เราก็ต้องกลับมาทำงานใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญกันใหม่เราเคยทำบุญทำทานรักษาศีลห้าเราก็จะกลับมาทำบุญทาทานรักษาศีลห้ากันใหม่เราเคยเรักษาศีล8ดเคยฝึกสมาธิเราก็จะกลับมารักษาศีล8เกิดมาฝึกสมาธิใหม่ เคยเป็นนักบวชเราก็จะกลับมาเป็นนักบวชหน่ยเคยเป็นอุบาสกอุบาสิกาไปอยู่วัาเฉพาะวันพระเราก็จะกลับมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาเคยถือศีลห้าเคยทาทานก็จะกลับม า, าทาทานถือศีลห้าหม่เพราะของเหล่านี้มันจะปลุกฝังให้กายเป็นนิสัยนั่นเองแล้วมันไม่มันไม่หายไป กับการตายของร่างกายหรือจากการเสื่อมจากการเป็นพรหมหรือเป็นเทพ <Yeah. S 1> มันเป็นนิสัยที่ติดอยู่กับจิตนิสัยพวกนี้เราเรียกว่านิสัยดีนิสัยดีเราเรียกว่าบารามี <Yeah. S 1> ส่วนท่านนิสัยไม่ดีเราเรียกว่ากรรมวิบากกรรม <Yeah. S 1> พวกที่ไม่รักษาศีลพวกที่ทำบาปทำกรรมอยู่เรื่อย <Yeah. S 1> ตรงนี้เวลาตายไปก็ต้องไปรับผลกรรมกันในอบายสี่ระดับด้วยกันไปเป็นเดรฉาบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุลกายบ้างไปเป็นสัตว์น ร, รกบ้างแล้วก็เหมือนกับภพบภูมิของเทวดาและผมคือมันก็กรรมที่ส่งไปนั้นมันก็หมดได้เหมือนกันบาปที่ส่งให้ไปเกิดในอบาย พอบาปที่ส่งไปหมดกำลังลงก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะเอานิสัยเดิมกลับมาด้วยเคยชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะกลับมาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเคยรักทรัพย์ก็จะกลับมารักทรัพย์เคยประพฤติผิดประเวณีก็จะกลับมาประพฤติผิดประเวณีเคยโกหกก็จะกลับมาโกหกเคย เคยเดินสุรายามาหรอเสพอบายามุขเช่นเล่นการพนันก็จะกลับมาทําเหมือนเดิมอยู่สังเกตของพวกนี้ไม่ต้องมีใครสอนใช่ไหมพ่อแม่ไม่ต้องสอนเพราะว่ามันติดเป็นนิสัยมาของแต่ละคนนิสัยบุญก็ติดมาบางคนพ่อแม่ไม่ต้องสอนให้ทําบุญก็ทําเองบางคนพ่อแม่ไม่ต้องสอนให้รักษาศีลก็รักษาศีลเองบางคนพ่อแม่ไม่ได้สอนให้นั่งสมาธิก็นั่งสมาธิเอง อันนี้มันเป็นของที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สูญหายมันเป็นนิสยัยเป็นบารมีหรือเป็นเป็นวิบากกรรมของแต่ละของของจิตแต่ละดวงแต่การมีนิสัยเหล่านี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนไม่ได้เราสามารถเปลี่ยนนิสัยได้สมมติว่าถ้าเรามีนิสัยไม่ดี เช่นเราชอบโกหกอย่างนี้เรารู้ว่าโกหกนี้ไม่ดีทําให้เราไม่มีเครดิตเวลาใครเขารู้ว่าเราโกหกนี้เขาจะไม่มีใครเขาเชื่อถือเราเราก็พยายามเปลี่ยนนิสัยได้ <Yeah. S 1> ด้วยการมีสติคอยดูว่าเวลาที่เราจะพูดอะไรนี้เราพูดความจริงหรือไม่ <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่เป็นความจริงเราก็อย่าพูดมันห้ามมันได้มีสติคอยเฝ้าดู การพูดของเราถ้าพูดแล้วมันไม่เป็นความจริงก็หุบปากไว้เฉยๆห้ามอย่าไปพูดความจริงถ้าเราคอยฝึกฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนนิสัยได้เปลี่ยนนิสัยจากการที่เคยพูดโกหกอยู่เรื่อยๆก็จะกลายเป็นไม่ได้พูดโกหกต่อไปก็ได้ในทางกลับกันก็ถ้ามีนิสัยดีก็อาจจะเปลี่ยนเป็นนิสัยไม่ดีก็ได้ ถ้าเกิดไปมีความโลภมีความโกรธแรงๆนี่บางทีการกระทำไม่ทำบาปก็อาจจะทำให้ไปทำบาปได้ก็มีดังั้นก็ต้องคอยควบคุมใจอยู่เรื่อยๆอเวลาจะทำบาปก็ต้องมีสติคอยยับยัง้งอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะได้ ถ้าเป็นนิสัยดีก็ยังจะได้รักษานิสัยดีไว้ต่อไป <Yeah. S 1> ถ้ามีนิสัยไม่ดีก็สามารถเปลี่ยนได้ <Yeah. S 1> เคยชอบทำบาป <Yeah. S 1> ทำกรรมก็หยุดได้ <Yeah. S 1> แล้วก็มาหัดสร้างนิสัยใหม่ที่ดีให้เกิดขึ้นได้ <Yeah. S 1> ด้วยการ <Yeah. S 1> วิธีที่จะทำให้เรา มีนิสัยทำนิสัยที่ดีได้เราก็ต้องไปอยู่กับคนที่ก็มีนิสัยที่ดีนั่นเองในมองคอลสูตรข้อแรกท่านก็ส่งสอนแล้วว่าอย่าไปอยู่กับคนที่มีนิสัยไม่ดีคือคนพาลเขาเรียกว่าคนที่นิสัยไม่ดีให้ไปอยู่กับบัณฑิตบัณฑิตคือคนที่เป็นนิสัยดีถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนิสัยของเราคนที่เราอยู่ด้วยนี้มันก็มีอิทธิพล โดยเฉพะในช่วงที่เราเป็นเด็กเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราไปเกิดในครอบครัวไหนถ้าเราไปเกิดในครอบครัวที่ชอบทําบาปทํากรรมเช่นมีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็จะต้องทําตามเขาไปเพราะเขาทําอย่างนี้เราอยู่กับเขาเราก็ต้องทําตามเขาไปถ้าเราไปเกิดในครอบครัวที่ชอบทําบุญชอบไปวัดชอบไปฟังเทศฟังธรรมชอบไปนั่งสมาธิ พ่อแม่เวลาไปวัดก็จะพาลูกไปด้วย <Yeah. S 1> อันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่ง <Yeah. S 1> การที่ได้ไปอยู่กับคนที่ดีคนที่ดีก็จะพาให้เราเปลี่ยนนิสยัยให้เป็นนิสัยที่ดีขึ้นไปได้ <Yeah. S 1> ถ้าเราไปอยู่กับคนที่ไม่ดี <Yeah. S 1> เขาก็จะดึงให้เราไปเปลี่ยนนิสยัยเป็นนิสัยที่ไม่ดีขึ้นมาได้ yeah. Yeah. อันนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราเปลี่ยนนิสัยของเราได้คือถ้าเรามีนิสัยไม่ดีถ้าเราไปอยู่กับคนที่มีนิสัยดี เ, เขาก็ดึงเราให้ไปทําในสิ่งที่ดีได้หรือถ้าเรามีนิสัยดีเราไปอยู่กับคนไม่ดี <sk urs> เขาก็อาจจะดึงให้เราไปทําในสิ่งที่ทําให้เรามีนิสัยไม่ดีขึ้นมาได้เหมือนกันนะ อ, อันนี้ก็ สิ่งแวดล้อมหรือบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยก็มีส่วนที่จะทําให้เราสร้างนิสัยที่ดีหรือสร้างนิสัยที่ไม่ดีอย่างนั้นถ้าเราโตแล้วแล้วเราสามารถศึกษาความรู้ต่างๆได้รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วได้อแล้วเราอยากจะทําตัวเราให้ดีขึ้นอ อยากจะเปลี่ยนนิ ส, สัยของเราเราก็ต้องไปอยู่กับพวกที่มีนิ ส, สัยดีเช่นพวกที่มีนิ ส, สัยดีที่มากที่สุดในโลกนี้ก็คือพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองเราจึงต้องยึดพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเป็นผู้ขัดเกลนิ ส, สัยของเราให้เป็นนิ ส, สัยที่ดีการเข้าหาพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยคำสอนของพระอริยสงสาวกทั้งหลายนั่นเองแล้วก็ศึกษาวิธีท่านดำเนินชีวิตของท่านด้วยดูบาบฉบับของท่านว่าท่านทำอะไรท่านทำอะไรท่านพูดอะไรอย่างไรท่านพูดปดหรือไม่ท่านรักทรัพย์หรือไม่เอาท่านมาเป็นตัวอย่างท่านทำอย่างไรเราก็ทำตามท่านต่อไปเราก็จะเปลี่ยนนิสัยไม่ดีของเราได้ นี่คือการพัฒนาจิตใจของเราให้ขึ้นสูงได้ถ้าเรายังอยู่ต่ำอยู่ถ้าเรายังมีนิสัยไม่ดีอยู่เราก็ต้องเข้าหาผู้ที่มีนิสัยดีแล้วก็ศึกษาคำสั่งคำสอนของท่านแล้วก็บังคับตัวเราต้องให้ทาตามคาสั่งคำสอนให้ได้ <Yeah. S 2> เพราะว่าถ้าเราไม่บังคับมันก็จะไม่ทำเหมือนกัน เพราะมันชินกับเคยทำอะไรมาแล้วมันก็ชินอย่างญาติโยมเนี่ยถนัดมือซ้ายหรือมือขวากันใช่ไหมถ้าถนัดมือขวาก็จะใช้แต่มือขวาจะไม่บังคับตัวให้ใช้มือซ้ายบางทีจะต้องมีเหตุการณ์มาบังคับคือมือขวาอาจจะเจ็บใช้ไม่ได้ตอนนั้นอ่ะก็จะมาบังคับให้หัดใช้มือซ้ายเวลาหัดใช้มือซ้ายใหม่ๆก็จะรู้สึกว่ามันยาก เพราะไม่เคยใช้มันมาก่อนนั่นเองแต่พอหัดใช้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะง่ายมันก็จะใช้ได้เหมือนกับมือขวาไม่ใช่ไม่ใช่นะคนที่ถนัดมือซ้ายทำไมเขาใช้มือซ้ายได้ <Yeah. S 2> ก็เพราะว่าเขาหัดใช้มาจนจนชินจนชํานาญ <Yeah. S 2> อันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับการเปลี่ยนนิสัย <Yeah. S 2> เราเคยถนัดมือขวาถ้าเราต้องการเปลี่ยนมือซ้ายก็ได้ แต่บางทีถ้าเราไม่บังคับมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนถ้าบางทีไม่บังคับไม่ได้ก็ต้องให้มันมีเหตุการณ์มาบังคับเช่นมือขวาอาจจะเสียไปขาดไปแขนขาดไปตอานั้นก็ต้องมาใช้มือซ้ายฉันใดการเปลี่ยนนิสัยของเราเพื่อให้นิสัยเพื่อให้จิตของเราพัฒนาให้เจริญให้สูงขึ้นไปตามลำดับนี้ เราก็ต้องอาศัยผู้ที่เขามีนิสัยดีมาสอนมามาบังคับเราเนี่ยพระที่มาบวชนี่จึงบางทีไปเลือกหาอยู่กับครูบาอาจารย์ต่างๆเพราะครูบาอาจารย์แต่ละรูปนี้ท่านก็จะคอยบังคับให้ลูกศิษย์ที่ไปอยู่กับท่านนั้นทำตามที่ท่านได้ทำมาเพราะท่านเห็นคุณประโยชน์ของการกระทำของท่านว่านาไปสู่ความสุขความเจริญนั่นเอง ดังนั้นเราจรึงถ้าเราอยากจะพัฒนาจิตใจของพวกเราทุกครั้งที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่เพื่อที่ให้ไม่ให้จิตใจเราลงต่ำให้จิตใจเราขึ้นสูงขึ้นไปตามลำดับเราก็ต้องถ้ามีคนที่ฉลาดกว่าเราควรจะหาคบกับคนที่เขาฉลาดความว่าฉลาดนี้หมายถึงดีไม่ใช่ฉลาดแกมโกงฉลาดแกมโกงนี้ก็ไม่ดี จะเป็นฉลาดแบบดีคือซื่อสัตย์สุจริตรู้ว่าอะไรผิดรู้ว่าอะไรถูกในศาสนาพุทธนี้บัณฑิตของศาสนาพุทธนี้ท่านบอกว่ารู้อยู่เจ็ดอย่างด้วยกันคือรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าเหตุอันไหนทำแล้วทําให้เกิดความสุขความเจริญรู้ผลก็คือว่าผลของความผลก็คือความสุขความเจริญนั้นอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ราบยศสรรเสริญ รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ว่าเราเป็นอะไรเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนฐานะระดับไหนสูงต่ำอย่างไรเราต้องรู้จักก็ททำตัวเราให้เหมาะสมกับฐานะของเรารู้บุคคลก็รู้บุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยว่าเขาสูงต่ำกว่าเราอย่างไรเขามีคุณมีประโยชน์กับเราหรือเขามีมีโทษกับเราเราต้องรู้เพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติกับเขาได้ถูกต้อง รู้เหตุดูผลรู้ตนรู้บุคคลแล้วก็ให้รู้สังคมสังคมที่เราอยู่เขาก็มีวิธีการปฏิบัติต่างๆเราก็ต้องปฏิบัติอย่างที่นี่ก็มาก็ต้องใส่หน้ากากกันเป็นต้นนถ้าอยู่ห่างกันถ้าไม่ใส่หน้ากากเดี๋ยวเขาก็อาจจะขอร้องว่าอย่ามานะคราวหน้าเพราะว่าอันนี้เราก็ต้องรู้จักสังคมรู้กฎระเบียบของสังคมนี่น แล้วก็รู้กาลาเทศะรู้ว่าเวลานี้ควรจะทําอะไรเวลานี้ควรนั่งเฉยๆหรือเวลานี้ควรพูดคุยกันเรียกว่ารู้กาลาเทศะแล้วก็รู้ประมาณรู้ความพอดีในการบริโภคปัจจัยสี่หรือสิ่งต่างๆที่จําเป็นต่อการดํารงชีพมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีให้พอดีพอดีคือเศรษฐกิจพอเพียงนี่ เ, เรียกว่าเป็นการ รู้ประมาณท่านเราเจอคนที่เขามีความรู้เจ็ดชนิดนี้เราถือว่าเขาเป็นคนดีคนที่เราอยู่คบกับเขาได้แล้วเขาก็จะไม่มาทําให้เราดึงเราไปในทางที่ไม่ดีนี่คือเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของพวกเราที่พวกเราอาจจะไม่รู้มาก่อนว่า เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาคอยดูแลคอยพัฒนาคอยส่งเสริมถ้าเราไม่มาฟังเทศฟังธรรมเราอาจจะหลงอยู่กับเรื่องของการเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายไปหาความสุขจากโลกธรรมคือาลาภยศสัลลเสญสุขแล้วเราก็จะมาทุกข์กันเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายกันแต่ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เรายัางไปต่อเราเป็นจิตเวิญญาณที่จะไปสูงก็ได้ไปต่ำก็ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราว่าเราทำบุญหรือทำบาปกันเนี่ยนี่คือแล้วพอฟังธรรมเหล่านี้แล้วเรื่องความสงสัยเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดก็จะหายไปจะเชื่อว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่ น, นะเรื่องของกฎแห่งกรรมก็ไม่สงสัยแล้วก็ จะมีสัมมาทิฏฐิเห็นมีความเห็นชอบว่าการที่จะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขความเจริญเราต้องอยู่ใกล้ชิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือสอนให้ละ ก, การกระทําบาปทั้งปวงให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วให้ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการบําเพ็ญ จ, จิตตภาวนา เป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิมีดวงตาเห็นธรรมรู้แล้วว่าชีวิตของเรานี้เราจะต้องทำอะไรกันที่จะเป็นมงคลอย่างแท้จริงกับชีวิตของเราเราก็จะเปลี่ยนทิศทางจากการไปหาความสุขจากโลกรธรรมคือจากลาบยศสารเสรินสุขให้มาหาความสุขความเจริญจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการละ บ, บา ทำบุญและทำนัจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือเรื่องของอ น, นิสงส์ของการฟังธรรมที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนตีสาขลังเอวามวะอิโตทินงังเปตานาังอุปปก ป, กปติ อิชิตังปะิตังตุมห um ังคิปเมวะสมิจจัตุสัเพปเลนตุสักปาจันโทปนะราโสยธามณีโชติราโสยธาสัพพิติยวิว so ัจจันตุสัปปโรโควินาสสตุ so มาเตภวะตวันตาบาโยสุขีทีขายยโกผวะอพิวะธนสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตตารธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังพาลางช่วงต่อไปนี้ก็เป็น เชื่อมถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก mm hmm. ็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่อย่าถามหลังจากที่เราเลิกนะเพราะว่าไม่สะดวกต้องเก็บข้าวเก็บของอะไรงั mm ้น hmm. ถ้ามีคำถามอยากจะคุยอะไรเชิญถามเข้ามาคุยมาถามได้ตอนนี้เลยอ mm hmm. ันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ ทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติรพิชาโต437 Facebook พ่ออจอสุชาติรพิชาโต77ยอดดวนทาง Facebook 514 YouTube 260วิทยุออนไลน์8 o ูม7ผู้รับฟังหน้ากุฏิ111รวม900ค่ะก็มีคำถามก็เชิญอ่านได้เลยคุณเอกเหรอค่ะคุณเอ ผูในบ้านอำเภอผู้ทาอาหารถวายพระวิญญาณโดยอาศัยบุญทานของญาติโยมสัง่งสาธุสจ้าค่ะงพ่ออันนี้คำถามฝากถามอะไรอาทิตย์หลวหนูลืมชค่ะคือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคือครอบครัวไม่ยินดีต้อนรับแล้วเขาก็ไปปรเนเจรจรแล้วก็ไปเจอคนใจบุญให้ไปบวช แต่เขาว่าไม่ได้อยากบวชเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่เขาไม่มีที่ไปอย่างนี้มีคําถามว่าเขาคนที่ไม่มีที่ไปแล้วโดนบงังคับให้บวชเขาจะได้บุญไหมเจ้าค่ะก็อยู่ว่าเ้าบวชแล้วปฏิบัติแล้วเปล่าถ้าบวชแล้วไปเกาะวัดกินี้ก็ไม่ได้บุญอะไรก็เป็นเหมือนหมาวัดเนี้ย <c oughs> แต่ถ้าไปบวชแล้วก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมไปก็ได้บุญ แล้วคนที่เป็นเจ้าภาพที่พาไปบวชก็ได้บุญนะอย่างน้อยก็ไม่ได้เป็นหมาวัดนะเพราะเป็นพระอย่างน้อยก็รักษาศีลอย่ง227ขอ้อใช่ค่ะก็ได้บุญระดับศีน่ะก็ได้บุญอยู่ค่ะค่ะถูกจช่ไหมจะได้ไปต่อเขาท้ายแต่ถ้าไปแล้วไม่รักษาศีนนะ่ะก็เหมือนัเหมือนหมาวัดนะหาวัดมันก็ไม่รักษาศีนนะ่ะสายข้าว่าดกินนะ คำถามฝากถามจากที่นี่นะคะอยากทราบว่าศีลเสมอกันหมายความว่าอะไรคะ ก, ก็เท่ากันไงสมเสมือก็เท่ากันคนนึงรักษาศีลห้าคนรักษาศีลแปก็ไม่เท่ากันล่ะถ้าถ้าอยากจะไปเกิดร่วมกันก็ต้องถือศีลเท่ากันตายพร้อมกันจะได้ไปเกิดพร้อมกันได้ถ้าคนนึงตาย ที่หลังนี่คนอื่นไปเกิดก่อนเดียวก็เราไปเกิดเป็นน้องหรือ เ, เ, เป็นลูกล้วแต่อย่าไปฆ่าตัวตายเพื่อให้มันตายพร้อมกันนะอันนี้ก็ไปเกิดในอบายพร้อมกันนะคำถามจากทางบ้านค่ะ กระผมได้ฟังธรรมวันนี้เป็นบุญมากเลยอยากกราบเรีินสอบถามว่าคือผมฟังธรรมอยู่บ้านทีไรทำงานเตรียมของขายตลาดเสร็จแล้วแฟนชอบบ่นว่าฟังอะไรฟังไปก็ปฏิบัติไม่ได้แต่ผมก็อยากปฏิบัติมันก็ติดที่เขาชอบบน่นชวนฟังเขาก็ไม่สนใจหาว่าเราบ้าผมขอเขาไปทําบุญเขาก็ไม่ตอบผมได้ฟังธรรมพระอาจารย์ว่าไม่รู้เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกตอนไหนซึ่งถ้าเกิดมาอีกจะพบพระพุทธ ศาสนาหรือไม่ผมก็เลยอยากขอดีกออกไปปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ซึ่งไม่รู้ว่าชีวิตจะถึงวันไหนถ้าผมหนีไปเลยจะผิดไหมครับเพราะเคยขอเขาแล้วเขาบอกว่าต้องมีตังให้เขาเดือนละสามหมื่นซึ่งผมไม่รู้จะหาได้ยังไงเพราะไปปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปหาเงินผมอยากได้ทำมากน้อยอยากให้ชีวิต มนุษย์นี้ขอให้ได้เข้าถึงกระแสพระนิพพานพระโสดาบันครับขอกลาบเรียนสอบถามว่าผมจะผิดไหมก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราเกิดอุบัติเหตุตายไปในวันนี้เราจะผิดหรือเปล่าก็เหมือนกันเราเราหนีไปก็เหมือนกับมันก็เกิดอุบัติเหตุก็คือผลก็เท่ากันก็คือแยกกันจากกันไปก็ไม่น่าจารยะผิดตรงไหน ก็ผิดตรงสัญญาว่าเป็นสามีภรรยากันก็ต้องอก็ผิดก็จะเรียกว่าผิดก็ผิดตรงนั้นผิดที่สัญญาอพอสามีภรรยาก็มีสัญญาว่าจะต้องอยู่ร่วมกันไปจนวันตายน <Yeah. S 1> ถ้าเราหนีไปก็ <Yeah. S 1> ก็เวลาก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็หนีไปเหมือนกันใช่ไหม เราดีสพิพอท่านตัดสรู้แล้วท่าน ก, กลับมาช่วยให้แฟนให้ลูกให้ใครได้บรรลุธรรมพร้อมด้วยพร้อมกับท่านด้วยยันถ้าเราไปแล้วเราปฏิบัติ ด, ดีแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาช่วยเขาได้เราไม่ได้ทิ้งเขาแบบถาวรทิ้งไปเหมือนกับไปรักษาตัวเราเช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องทิ้งเขาไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมบอกวันนี้อยู่บ้านไม่ได้นะหมอบอกต้องไปผ่าตัดเนี่ ก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลการไปบวชก็เป็นเหมือนไปผ่าตัดหัวใจนี่แหละไปผ่าเอากิเลดออกเอาความโลภความโกรธความหลงออกไปจากใจพอออกไปหมดแล้วทีนี้ใจก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บทีนี้ก็มาสอนคนอื่นได้มาช่วยคนอื่นได้มาช่วยผ่าตัดเอากิเลสของคนอื่นออกให้เอนได้เห็นถ้าไปใบแบบนี้ไม่น่าจะเสียหายตรงไหน ดีก็ไปแบบตายตายปั๊บก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรคำถามจากคุณวันถ้าเราทําบุญจากเงินที่สามีให้เราจะได้บุญไหมคะหรือสามีจะได้บุญไหมคะพอดีไม่ได้ทํางานเลี้ยงลูกอยู่<ข>บ้าน<ะ>เขาได้บุญตอนที่เขาให้เราแล้ว mm hmm. เขาให้เราแล้ ว, แ ล, วแล้วถ้าเขาให้เป็นเป็นบุญโดยที่ไม่มีเงื่อนไขว่าเป็นเป็นของเราแล้วเราไปทําบุญเราก็ได้บุญแต่ถ้าเขามีเงื่อนไขว่า ให้เอาเงนนี้ไปทําอย่างนั้นทำอย่างนี้นนเราไม่ทําตามที่เขาบอกก็ผิดเงื่อนไขได้งั้นก็อยู่ที่ว่าเงินที่เขาให้มานี้เป็นเงินที่เขามีเงื่อนไขหรือเปล่าหรือเขาให้เราแล้วแล้วแต่เราจะไปทําอะไรถ้าเป็นของเราแล้วเราจะไปทําอะไรก็เราทําอะไรก็ได้เอาไปทําบุญก็ได้ไปแทงหวยก็ได้ <c oughs> <c oughs> มันก็เป็นเรื่องของเราแล้ว แต่ถ้าเขาบอกเอาเงินนี้ไปทางหวยเราไปทําบุญนี่เดี๋ยวเขารู้เขาก็อาจจะโกรธเราทะเลาะกันก็ไนดนะ้เพราะว่าเขาเหมือนกับเขาใช้เราไม่ไม่ได้ให้เราเขาใช้เราให้ไปซื้อหวยให้เขาอย่างนี้แล้วเราไปทําบุญนี้ก็ไม่ได้งนันต้องเป็นเงินของเรานก็เหมือนกับพ่อแม่เวลาสอนให้ลูกทาบุญลูกยังไม่มีเงินทําบุญพ่อแม่ก็เลยเมื่อกี้ก็อาบอก ลูกเอาเงินใส่ซองนี่นะเอาเงินของพ่อแม่ใส่ซองแล้ไปทําบุญก็ ล, ลูกทําให้พ่อแม่ลูกยังไม่ได้บุญเพราะว่ายังไม่เป็นเงินของลูกเองแต่ก็ต้องเรียนรู้วิธีทําบุญไว้ก่อนแล้วต่อไปเวลาลูกมีเงินของตัวเองก็อาจจะคิดทําบุญเองได้คําถามจากคุณลิขิตบุญผมทําประมาณแปดสิบ้าเปอร์เซนตบาปผมก็ทําประมาณสิบห้าเอร์เซ็นต์ทำไมบาปมันแรงแซงบุญได้ครับ ก็นั่นแหละมันไม่ได้อยู่ที่แล้วคุณรู้ไหมสิ้าเปอเซนต์ถ้ามันแซงมันก็ต้องมากกว่าบามันก็ต้องมากกว่าบุญนะถ้ามันตามบุญก็แสดงว่ามันน้อยกว่าแรงมันน้อยกว่ามันไม่ได้อยู่ปริมาณว่าทํากี่ครั้งเลยเพราะบุญบาปบางอย่างทํำทั้งเดียวมันก็หนักมากเช่นอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ทํำยุให้สงแตกแยกทําให้พระพุทธเจ้าห่อเลือด อันนี้ทำครั้งเดียวนี่มันมากกว่าบุญที่ทํามาทั้งชาติก็มีอย่างพระเทวทัานนี่ทําบุญมาทั้งชาติอรักษาศีลบวชเป็นพระต้องหลายสิบปีฝึกสมาธิได้ฌานได้อภิญญาแต่พอไปทําบาปที่เป็นบาปหนักครั้งเดียวนะี่ก็ไปนรกก่อนเลย ม, มันไม่แน่ว่าจะทํากี่ครั้งนะแล้วบาป มันมันอยู่ที่บาทชนิดไหนมีน้ำหนักมากน้อยเพียงไรเหมือนตบหน้าคนทีเดียวกับเอามือไปลูบหน้าเขาเบาๆนี่ลูบหน้าเบาๆสิครั้งมันก็ไม่เจ็บเหมือนตบหน้าแรงๆทีนี้คำถามจากคุณตั้มกระผมทำบุญทุกวันและทำด้วยเงินของตัวเองแต่เวลาทำแล้วรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์อย่างนี้กระผมจะได้บุญทุกครั้งที่ทาหรือไม่ครับ ได้แต่อาจจะไม่ได้แบบเต็มที่คือคือได้ในส่วนของการเสียสละเงินของเราไปแต่อาจจะไม่ได้ความาปิติความปลื้มใจอันนี้อาจจะต้องเลือกบุญที่เราทำเหมือนกินอาหารเนี่ยถ้ากินอาหารที่ไม่ถูกปากก็อิ่มนะกินเข้าไปให้มันดับความหิว แต่มันไม่รู้สึกมันไม่มีความสุขเหมือนกับกินอาหารที่ถูกปากถูกใจอิ่มด้วยแล้วก็ดับความหิวด้วยแล้วก็มีความสุขใจด้วยอย่นก็ต้องเลือกอาหารเหมือนกับเลือกบุญบางคนให้กินอาหารที่ไม่ชอบบางครับให้กินก็ zoo, ต้องกินกินไปมันก็หายหิวแต่มันไม่รู้สึกมีความสุขจากการกินแต่ถ้าไปกินอาหารที่ถูกปากถูกคอนี่ทั้งหายหิวแล้วทั้งมีความสุข ทำบุญก็แบบเดียวกันถ้าทำบุญแบบที่เราไม่ไม่ชอบเหมือนกินอาหารที่เราไม่ชอบมันก็ดับมันก็ดับกิเลสดับความตัณหาดับความหวงในทรัพย์สินเงินทองได้แต่มันไม่ได้ทําให้เรามีความสุขหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราทําน้อยหรือเปล่ากินข้าวเพียงครึ่งจานเนี่ยมันก็ยังไม่อิ่มยังรู้สึกเฉยๆอยู่กายจะลองกินทักให้มันสองสามจานดูหน่อยเราจะรู้สึกยังไง ก็มีสองวิธีถ้ารู้สึกว่ายังเฉยๆก็ลองทําให้มันมากขึ้นเลยเพิ่มเป็นสองเท่าเป็นสามเท่าเดูเออเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีทําบุญของเราบางคนชอบสุนัขชอบเลี้ยงสุนัขช่วยชอบช่วยเหลือสุนัขก็ลองไปทําบุญกับสุนัขดูทำแล้วก็มีความสุขใจขึ้นมาได้แล้วแต่บุญชนิดต่างๆที่เราชอบหรือไม่ชอบอย่างไรบางคนชอบปล่อยนกปล่อยปลาเขาก็ไปปล่อยนกปล่อยปลา แทนที่จะมาใส่บาตรแทนที่จะมาถวายสังฆทานเขาไปปล่อยงกปล่อยปลาเขามีความสุขแบบนั้นบางคนก็ชอบทําบุญสังฆทานเขาก็มาทําสังฆทานอันนั้นก็แล้วแต่ความชอบแต่เพื่อเป็นบุญเหมือนกันได้บุญเหมือนกันได้ดับกิเลสความตเนรดับกิเลสความหิวโหยความยึดความโลภได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่เกิดความรู้สึกสดชื่นเบิก บ, บานใจกับบุญที่ชนิดที่เราชอบทํา มีคำถามจากท่านเดียวกันค่ะเวลาเราคิดอะไรขึ้นมาถือว่าเป็นกรรมหรือการกระทําหรือไม่ครับเป็นเป็นเรียกวามาโนกรรมความคิดนี้เป็นมโนกรรมแต่ยังไม่มีผลเกิดจะให้มีผลเกิดขึ้นนี้ที่จะเป็นบุญหรือเป็นบาปนี้ต้องมีการกระทําทางกายทางวาจาด้วยเช่นคิดจะไปขโมยเงนินแต่ไม่ได้ไปขโมยเงนินบาป ก, ก็ยังไม่เกิด ก็เพียงแต่เอาคุศลที่มีอยู่ในใจถ้าเปลี่ยนใจก็ไม่ไม่ทําดีกว่าทํำแล้วเดี๋ยวถูกจับได้แล้วจะเสียหายกว่ายอมอดดีกว่ายอมอดทนไว้ดีกว่าอย่างนี้ก็เพียงแต่คิดนี้ก็เป็นกรรมแต่ยังไม่เป็นยังไม่เป็นบาปหรือเป็นบุญถือว่าเป็นกุศลหรืออกุศลซึ่งถ้ายังมีผลก็มีผลที่ใจเพียงอย่างเดียวใจอาจจะไม่สบายใจถ้าคิดไปในทางที่ไม่ดีถ้าคิดไปในทางที่ดีใจก็อาจจะมีความสบายใจ แต่ยังไม่มีผลบุญผลบาปเกิดขึ้นจากการกระทําถ้าไม่ได้ทำผ่านทางร่างกายและทางวาจาคำถามจากคุณสุภชัยการตักบาทกับพระที่ไม่สำรวมเราจะได้บุญไหมครับมากน้อยอย่างไร อ, อ๋อได้เท่าเดิมทำพระพระที่สำรวมกับรทมที่พระไม่สำรวมคนให้คนให้นี้ได้บุญเท่าเดิมแต่บุญที่จะได้จากพระที่สำรวมและไม่สำรวมนี่ต่างกัน พระที่สารวมอาจจะมีธรรมะดีๆมาแจกเรามาให้เราเป็นของแถมพระที่ไม่มีความสารวมอาจจะไม่มีธรรมะหรืออาจจะมีเรื่องเหลวไหลมามาฝากมาแถมให้เราก็ได้ดังั้นส่วนส่วนของเราส่วนที่เราได้จากการเสียสละนี้ไม่ว่าจะทํากับใครเราได้เท่ากันแต่ส่วนที่เราจะได้รับจากคนที่เราไปทําบุญด้วยนี้<ม>ก็ขึ้นอยู่กับเขาว่าเขามีอะไรให้เราถ้าเขามีสติเขาก็จะสอนสติกับเรา ถ้าเขาไม่มีสติเราก็ไม่สอนเรื่องสติให้กับเราคำถามจากคุณแคทสข้อค่ะข้อแรกถ้าสมาธิทำให้มีสติและปัญญาเราต้องมีสมาธิมากแค่ไหนให้สามารถควบคุมสติให้ทันกับกิเลสของเราได้ทันเจ้าคะเพราะถ้าควบคุมสติไม่ทันกิเลสก็จะเข้ามาครอบงำสติก็ต้องระดับฌานเนี่ยระดับเขาเรียกอัปปนาสมาธิคือฌานสี่ ก็เหมือนกับเวลาขับรถนะถ้าจะควบคุมรถให้มันปลอดภัยก็ต้องหยุดมันเท่านั้นพอหยุดมันแล้วทีนี้พอมันจะเริ่มขยับปั๊บแล้วก็เบรคมันได้ทันทีง่ายง่ายกว่าที่เวลามันวิ่งอยู่เวลาวิ่งอยู่ก่อจะเบรคมันได้อาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยใช้กําลังมากหน่อยแต่ถ้าเราหยุดมันแล้วทีนี้พอมันจะเลื่อนนิดหนึ่งเราก็หยุดมันได้ทันทีจิตก็เหมือนกันจิตมันก็ใสใสใอาวสายสายอาศัยความคิดอาศัยใจทํางาน พอเราหยุดคิดปั๊บกิเลสมันก็ทํางานไม่ได้พอมันจะเริ่มพอเราเริ่มคิดปั๊บพอกิเลสมันจะเริ่มเริ่มใช้ความคิดปั๊บเราก็หยุดมันได้ทันทีงั้นต้องหยุดจิตให้ได้ก่อนเมื่อหยุดจิตให้ได้แล้วพอจิตมาเริ่มไปคิดในทางที่ไม่ดีไปทางกิเลสเราก็หยุดมันได้ ท, ทันทีถ้ายังหยุดมันไม่ได้เดี๋ยวมันคิดไปทางกิเลสก็ยังหยุดมันไม่ได้อยู่ดี คำถามข้อที่สองถ้าการมีสติคือการเป็นคนที่มีใจเย็นซึ่งถ้าศีลเป็นตัวควบคุมให้ใจเย็นแปลว่าถ้ารักษาศีลได้ใจจะเย็นได้และมีสติควบคุมจิตให้เย็นลงหรือเจ้าคะศีลทําให้ใจเย็นและมีสมาธิควบคุมสติให้เกิดปัญญาหรือเจ้าคะคือสติมีหลายระดับไงความเย็นของใจมันมีหลายระดับความเย็นของศีลก็ระดับหนึ่งความเย็นของสมาธิก็อีกระดับหนึ่ง ก็ต้องใช้สติควบคุมทุกระดับต้องมีสติควบคุมไม่ให้ไปทำบาปก็จะได้ความเย็นระดับของสีพอมีสติควบคุมหยุดความคิดได้ให้จิตเข้าเข้าไปในสมาธิได้ก็ได้ความเย็นของระดับของสมาธิแล้วถ้ามีสติระดับปัญญาสอนให้ใจคิดไปในทางธรรมะได้ให้ปล่อยวางให้หยุดกิเลสได้ก็จะได้ความเย็นของระดับปัญญาซึ่งมากขึ้นไปตามลา ด, ำดำับ คำถามจากคุณแคทข้อสุดท้ายถ้าหนูอยากเป็นคนที่มีสติปัญญาในทางธรรมถ้าหนูเลือกวิธียึดหลักพรมวิหารสี่ถือว่ามาถูกทางหรือเจ้าคะไม่หรอกต้องเจริญสติด้วยพุโทโธหรือ ด, ด้วยการเฝ้าดูร่างกายด้วยการสวดมนต์เช่นเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิถ้าเรายังดูลมไม่ได้เราก็ลองสวดมนต์ไปก่อนสวดไปจนกว่า มีสติมีกําลังพอที่จะดูลมได้แล้วก็มาดูลมต่อแล้วต้องคอยดูลมจนกว่าจิตจะเข้าไปในสมาธิเราก็ไปในสมาธิแล้วก็จะได้พรมวิหารสีขึ้นมาเองเพราะจิตจะได้อุเบกขาหนึ่งในพรมวิหารสีผู้ใดมีอุเบกขาผู้นั้นก็มีเมตตากรุณามุฎิตาเพราะมันเป็นของที่มาพร้อมกันพรมวิหารสีนี่มันเป็นเหมือนกับ รถยนต์น่มันมาทั้งมันมาทั้งขันไม่ใช่มาแต่ได้ล้อยอย่างเดียว mm hmm. พอได้กุญแจดอกเดียวมันก็ได้รถทั้งขันอ mm hmm. ันไดถ้าได้อุเบกขาแล้วมันก็จะได้เมตตากรุณามมฎิตาตามมาด้วย mm hmm. คำถามสักุนเนตผมขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายคำว่าเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมอันนี้มันเป็นการแปลตามภาษาบาลีมา ่งในเชิงปฏิบัติก็คือเห็นกายก็เห็นร่างกายของเราเนี่เห็นว่าร่างกายของเราไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็เรียกเห็นว <future> ่าเห็นกายในกายโดยเห็นอาการสาสิบสองที่มีอยู่ในร่างกายนี้ก็เรียกว่าเห็นกายในกายเห็นเวทนาก็เห็นเวทนาว่ามีอยู่สามมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขมีไม่ทุกข์ไม่เที่ยงเหมือนการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นอนัตตาเปลี่ยนบังคับควบคุมบังคับมันไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าเห็น เห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตก็เห็นอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตเนี่ยอารมณ์บางวันก็เบิกบานบางวันก็เศร้าหมองบางวันก็ฟุ้งซ่านบางวันก็สงบอันนี้ก็เรียกว่าเห็นเห็นจิตในจิตมันก็เปลี่ยนไปเป็นอนิจจังเป็นหน้าตาเหมือนกันถ้าไปอยากมันก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเห็นธรรมก็คือเห็นว่าเรามีสติหรือไม่เรามีปัญญาหรือไม่มีสมาธิหรือไม่มีศีลหรือไม่ก็เรียกว่าเห็นธรรมในธรรม คำถามจากคุณสิริจันทร์ผู้มีความเพียรมีติดตัวมาแต่อดีตหรือมาฝึกปฏิบัติเอาในปัจจุบันเจ้าคะเห็นบางคนก็ถึงทาเร็วช้าต่างกันค่ะก็อย่างว่าอย่างที่บอกมันก็เป็นสิ่งที่ติดมากับจิตของแต่ละคนความเพียรบางคนก็มีความเพียรมากบางคนก็มีความเพียร น, น้อยบางคนก็ไม่มีความเพียรเลยมีแต่ความขี้เกียจเนี่ยมันก็แล้วแต่ทาความเพียร น, นี้มันเป็นบารมีอย่างหนึง่ง ถ้าเราหัดทำให้จ้าตัวเราขยันหมั่นเพียรอยู่แล้วเรื่อยเราก็จะมีความเพียรติดตัวเราไปคําถามจากคุณนรุมนการที่บวชเข้าวัดศึกษาธรรมปฏิบัติให้เห็นความจริงอย่างพระพุทธเจ้าแล้วมาโปรดพ่อแม่ญาติให้เห็นตามคือเราได้ทดแทนคุณพ่อคุณแม่มากกว่าเงินใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องพระพุทธเจ้าบอกว่าแต่ให้เลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดีอย่างไรก็ตาม แบกท่านไว้บนบาบนไหลให้ท่านอุจจาระปัสสะใส่ตัวเรา<ม>ก็ยังไม่ใช้ทดแานบุญคุณได้หมดเท่ากับทําให้ท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลพอเมื่อท่านเป็นพระอริยบุคคลแล้วท่านจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกยิดคําถามจักคุณวารุณีถ้าฝ่ายชายผิดศีลข้อสามแล้วยังต้องอยู่บ้านเดียวกันเพื่อลูกต้องทําอย่างไรเจ้าคะก็ยากห้องนอนก็แล้วกัน ลูกไม่ได้อยู่เพื่อเขาแล้วใช่ไหมบอกเธอไปอยู่คนละห้องแล้วกันหรืออยู่คนละบ้านได้ก็ดีจะได้ไม่คำถามจากคุณกัลยาถ้าเรารู้ว่าคนคนหนึ่งเป็นขโมยลักเล็กขโมยน้อยเราจะวางใจอย่างไรกับคนนั้นคะถึงจะไม่เกิดความโกรธเกลียดหรือไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วย แ, แต่ชีวิตประจำวันยังต้องมีความจาเป็นที่ต้องเกี่ยวข้องกันคะ่ะก็เหมือนหมาไงมองหมาสิ หมาคุณโหมาไหมหมาที่คุณเลี้ยงอยู่เดี๋ยวเพล่อมันก็ขโมยของที่เรากินได้เพล่บางกับขึ้นกับข้าวไว้เดี๋ยวมันก็มาเลียกิน <c oughs> แต่เราไม่โกรธมันใช่ไหมเพราะเรารู้ว่ามันเป็นหมาเห็นั้นคนที่รักเล็ขโมยน้อยก็เหมือนหมาดีๆนี่ <c oughs> ร่างกายเป็นมนุษย์ไงแต่ใจเป็นหมาแล้ว <c oughs> ถึงเมื่อกี้ที่เทศได้ฟังว่าใจเป็นอย่างหนึ่งกายเป็นอีกอย่าง แล้วต้องดูที่ใจเขาเป็นหลักอย่าไปดูที่กายดูที่กายแล้วเราอาจจะสับสนแต่พอดูที่ใจแล้วเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นหมามันเป็นเลราฉานมันเป็นเปรตอย่าไปให้มันเป็นคนได้อย่างไรคําถามจากท่านโลกนี้เป็นทุกเรียนถามเจ้าค่ะในครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าท่านพูดภาษาอะไรเจ้าคะที่ใช้แสดงธรรมท่านพูดภาษาไทยไหมเจ้าคะอยากทราบอ๋อไม่หราท่านก็พูดภาษา ถ้าที่เข้าใจเขาเรียกว่าภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตเนี่ยแต่ไม่ทราบว่าเราไม่ได้ศึกษาโดยประวัติความเป็นจริงแต่ทางทางเทรวาสนี่เราเชื่อว่าท่านพูดภาษาบาลีบทที่เราสวดเป็นภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้แสดงธรรมอิติปิโสภากรวาลาหังสัมมาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะพูดแบบนี้แต่เราเป็นคนไทยฟังไม่เข้าใจเราเลยต้องมาแปลว่าความหมายแปลว่าอย่างไร คำ ถ, ถามจากท่านเดียวกันค่ะพอท่องพุทธโธในใจมีความรู้สึกว่าเสียงที่ท่องในใจจางๆไม่ค่อยชัดคําว่าพุท่องเป็นพึช ร, รวมกันเป็นพุทธโธเจ้าค่ะพอจะต้องให้มันชัดๆว่าพุทธโธแต่มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นั่งทีไรไม่เคยสงบเลยเจ้าค่ะจิตวุ่นวายมากท้อใจเจ้าค่ะก็ลองสวดมนต์ก่อ น, น, นดีกว่าสวดอีตีปิโสผักกวาวแล้วสวดชา้าๆสวดให้มันชัดๆ ถ้ายังสวดในใจไม่ได้ก็สวดด อ, อกเสียงไปก่อนอิติปิโสภาควาอรหังสำมาสำพุทโธสวดไปสวดหลายๆรอบแล้วพอสตินี้เพิ่มมากขึ้นมันก็จะสวดในใจได้แล้วต่อไปก็หยุดสวดแล้วมาบริกรรมพุทโธพุทโธต่อไปได้ตอนนี้สติเราไม่มีมันจะวิ่งไปหาความคิดอยู่เล ย, เลยมันจะดึงไปเรา้ต้องใช้การสวดวนดึงกลับมาก่อน คำถามจากคุณเพชรน้ำหนึ่งข อ, อกราดครับมียวันหนึ่งผมนอนภาวนาพิจารณากายอยู่สักพักมีอาการคล้ายคล้ายเหมือนเคลิมหลับไปแล้วก็มีอาการเหมือนวูบๆคล้ายตกจากที่สูงลงไปแต่ตอนนั้นก็รู้สึกตัวอยู่อยากทราบว่าอาการเหล่านี้เป็นจิตที่เข้าถึงสมาธิหรือยังครับ ถ้าไม่มีความรู้สึกตัวก็เป็นการเข้ารวังหลับไม่ใช่รวังสมาธิถ้าเป็นการเข้ารวังสมาสมาธิจะรู้สึกตัวตลอดเวลาเหมือนที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้เรานั่งอยู่ทอนนี้เรารู้สึกตัวตลอดเวลาเวลาเราไม่ได้ยินเสียงเราก็รู้ว่าเราไม่ได้ยินเสียงแต่ถ้านั่งเราเคลิ้มเคลิ้มนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเข้ารวังหลับกันเพราะว่าถ้าเข้าฟองสมาธิมันจะตื่น แล้วมันจะมีความรู้สึกมห า, ารัจจใจเออใจเราทำไมเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้มหาสัรย์เบา อ, อกเบาใจมีความสุขอย่างไม่เคยพบมาก่อนงั้นคนซนคนใหญ่ถ้ามาถามนี่ก็แสดงว่าเป็นเป็นเรื่องของการหลับมากกว่าคําถามจากคุณโลกนี้เป็นทุกข์ เดียนว่าอยากไปเกิดยุคพระศีอริยะเมตรตรเจ้าค่ะควรปฏิบัติตนอย่างไรรู้มาว่าต้องรักษาศีลห้ากับประพฤตกรรมบทสิแต่บางครั้งรู้สึกศีลห้าที่ตนเองรักษาไม่ค่อยบริสุทธิ์กลัวไม่ได้ไปเกิดในยุคนั้นเจ้าค่ะ อ, อ๋อกำหนดไม่ได้หรอกว่าจะไปเกิดในยุคนั้นควราะไม่รู้ว่าท่านจะไปเกิดเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่แล้วเราจะไปเกิดในยุคนั้นเรื่อหรือหร่อปล่ากเนี่ย นอย่าไปสนใจกับพระสีอานเลยตอนนี้มีพระสมมาณัโคโดมสอนเราอยู่นะจะไปรอองค์ต่อไปทไําไมเมื่อยังมีองค์นี้อยู่รี่เรียนกัองค์นี้เหมือนกันไปองค์หน้าท่านก็สอนแบบเดียวกันสอนให้ละบาปทําบุญชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกันถ้าเราคิดอย่างนี้แสดงว่าเราถูกหลอกแล้วกิเลสมันชอบชอบหลอกเรามันไม่อยากให้เราปฏิบัติมันไม่อยากให้เราบรรลุธรรม มันก็เลยหลอกว่าต้องไปรอไปเจอผ้าสีอานก่อนอถ้าเรเชื่อมันก็สบายเพราะมันรู้ว่าไม่มีทางที่จะเจอผ้าสีอานโอกาสที่จะถูกเตเลี่ใงวันที่หนึ่งร้อยครั้งยังง่ายกว่าอโอกาสที่จะไปเจอผ้าสีอานพูดอย่างนี้ดีกว่าจะได้เห็นภาพคําถามจากคุณนกุกดิฉันไปลองการฝึกทําลมบังคับลมหายใจแรงๆทางจมูกบงเล็บท่านบอกทําลมอนาปนสติ แล้วจะมีแสงเข้าไปดูกายคือดูกระดูกเครื่องในตัวเองเรียกกายคตาสติแต่ดิฉันเคยทำแต่แบบสติปทานสี่แบบยุบหนอพองหนอดูลมปกติที่ท้องมันขัดกันตรงกายคตาสติต้องเห็นแสง แล้วเข้าไปในแสงให้ไปดูร่างกายเราแต่พอลองทำเราเห็นแสงสติปฐานนั้นมันดับหมดเห็นก็แสงหนอทีนี้งงค่ะว่าจะไปทางเดียวกันได้ไหมช่วยแนะนำทางที่ถูกให้หน่อยเจ้าค่ะมีเพื่อนๆทําทำครั้งแรกเห็นแสงเห็นกระดูกตัวเองเห็นเจ้ากรรมในเวรเทวดาได้เลยค่ะแต่ดิฉันไม่เห็นอะไรเลย<ม>เคยเห็นแสงเหมือนดวงอาทิตย์ตอนทาลมสติปฐานไปนั่งเปรันเป็นเวลาสองชั่วโมง เ, เวลานั่งสมาธิไม่ต้องการให้เห็นอะไรให้เห็นความว่างถ้าเห็นก็แสดงว่าไปผิดทางนะงั้นอย่าไปสนใจกับสิ่งที่เห็นถ้าเห็นให้อยู่กับพุทธโธแล้วก็ อ, อยู่กับลมหายใจเข้าออกไปอย่าไปสนใจกับแสงกับอะไรทั้งสิ้นการนั่งสมาธินี้ไม่ต้องการจะรู้จะเห็นอะไรต้องการให้จิตสงบนิ่งจะสงบนิ่งจิตก็ต้องรวมอยู่ในความว่างงั้น ให้คอยควบคุมความคิดให้จิตหยุดคิดหยุดคิดแล้วจิตก็จะว่างแล้วจิตก็จะมีสมาธิมีความสุขอันนี้คือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักสติปัฏฐานสี่ไม่ใช่ให้เห็นเห็นแสงแล้วแสงจะไปซับไปฉายเห็นกระดูกอะไรนี้ไม่จำเป็นจากระดูกนี่ไปเปิดภาพหนังสือดูก็เห็นแล้ว ไม่ต้องไปนั่งสมาธิก็ได้อยากจะดูตับไตไส้พุงไปเปิดในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้เนี่ยเราบอกอ n าต o ม y ี่ดูมันก็โผล่มาให้เห็นนะไม่ต้องนั่งสมาธิให้เหนื่อยการนั่งสมาธินี้เพื่อให้เห็นความว่างเห็นว่าจิตเราหยุดคิดแล้วมีความสุขมีความสบายอันนี้ต้องการนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติสติปัฏฐานในเบื้องต้นด้วยการดูลมหายใจก ให้จิตรวมเข้าสู่ความสงบให้ว่างจากความคิดปรุงแต่งต่างๆต่อไปมีหมดแล้วยังมีสี่คำถามค่ ะ, ะคำถามจากคุณจินดาป่วยหมอนรองกระดูกมีปัญหานั่งไม่ได้นอนกำหนดลมหายใจได้ไหมคะได้แต่มันจะหลับเท่านั้นแหละ คำถามจากคุณสิริวันนี้วันพระหนูได้ไปทำบุญให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายสมมติว่าจิตสุดท้ายท่านไปเกิดในอบายภูมิตอนทำบุญหนูเรียกชื่อนำสกุลให้ท่านมารับท่านจะได้รับส่วนกุศลที่หนูทำไปได้ไหมคะถ้าท่านรอรับอยู่ท่านก็รับรับได้ถ้าท่านไม่รอรับอยู่ก็รับไม่ได้ คำถามสกุลธีรศักดิ์กระผมสวดมนต์ทุกคืนอยากถามว่าขณะที่สวดเกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนแต่ก็ใช้เวลาสวดจนจบใช้เวลาประมาณสี่สิกว่านาทีถามว่าจะเกิดผลดีอะไรกับเราไหมครับถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ได้ผลแต่ก็เป็นการฝึกที่ต้องทำเพื่อให้ได้ผลต่อไปเหมือนการการปลูกต้นไม้ก็ใช่ปลูกวันนี้แล้วมันจะให้มันโตขึ้นมาเป็นต้นเป็นดอกเป็นผลขึ้นมา มันก็ต้องอาศัยความพยายามคอยรดน้ำพรวดินอยู่เรื่อยๆรักษาต้นไม้ไปอันมันค่อยจเจริญเติบโตไปเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะออกดอกออกผลเองการสวดมนต์ก็เหมือนกันในการสร้างต้นสมาธิกวาจะได้ผลของสมาธิก็ต้องพยายามสวดไปเรื่อยๆสวดไปบ่อยๆแล้วสวดให้ให้เตื่นด้วยอย่าไปสวดแบบจะหลับถ้านั่งแล้วจะหลับก็ลองลุกขึ้นมาเดินสวดก็ได้นะ คำถามจากคุณสิริวสิทิเวลานั่งสมาธิเวลากำหนดลมหายใจทำไมรู้สึกว่าหายใจแรงกว่าเดิมครับเพราะในเวลามันจะรู้สึกยังไงก็เรื่องของลมไปเราไม่ต้องไปรู้ว่ามันทำไมมันเป็นอย่างนั้นการดูลมนี้ไม่ได้มาดูเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นอะไรอย่างไรการดูลมนี้เป็นการอาศัยลมเป็นที่ผูกใจเท่านั้นเองเหมือนกับเรือที่เราจะลอยไปถ้าเราจะให้เรือไม่ลอยเราก็ต้องผูกมันไว้กับท่าเรือเท่นั้นเราไม่ต้องไปสนใจว่าทำไมท่าเรือนี้ ทาสีแดงหรือทาสีเขียวหรืออะไรขอใมันผูกแล้วเรือของเราไม่ไหลไปตามกระแสน้าก็พอเราก็ใช้ลมนี้เป็นเหมือนเสาเหมือนเหมือนเหมือนท่าเรือที่จะผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปตามกระแสของความคิดไม่ต้องไปสนใจว่าลมเป็นยังไงแรงหรือไม่แรงสั้นหรือยาวอะไรให้รู้ตามความเป็นจริงของมันเท่านั้นมีหลายคําถามเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าจุใจก็แล้วกัน ค่ะ ง, งั้นขอเลือกของคุณปิ่มไอลดาค่ะกับขอเมตตากับพระอาจารย์เก่าหลักเบื้องต้นการทาสมาธิเป็นภาษาอังกฤษให้เพื่อนๆชาวมาเลเซียบูนายได้ร่วมรับฟังขณะนี้เจ้าค่ะอ๋อให้เขาไปฟังใน YouTube ดึกะ่ะดัมมาอินอังกฤษเนี่ยให้เขาไปใน YouTube ้วเสิร์ชหาดัมมา in English หรือถ้าไปใน Facebook ก็ไปในหน้าอาจารย์สุชาติพิชาโตดมมาโเดีสิงแล้วเขาจะได้ยินได้ฟังอะไร ที่ละเอียดกว่านี้มากกว่านี้เพราะพูดตอนนี้ก็พูดได้พูดได้ก็ให้มีสติ you have to be mindful mindfulness means you have to concentrate your mind on one object such as your breath when you sit down you close your eyes and keep watching your breath don't let your mind go somewhere else don't let the mind think just keep watching the breath then your mind will become calm and peaceful and happy if you want m o r e information please go and watch my youtube channel called dhamma in english or you can go to my facebook page in english called อาจารย์สุชาอวิชาโตธรรมะ for the asking ครัว่าพอสมควรแก่เวลาขอขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิ์พิจารณาไปปฏิบัติ